ไปพวนั่งไปไปผมมองว่าแต่ไปล้วมีเกศมีแดนไม่มีหลังเก็นไม่เห็นด้วยทั้งนั้นแปลว่าจริงจังไปอยู่ไหนก็ไปเถอะเราไม่ใช่หูทิพย์แต่มันก็ได้ยินจนได้ได้ไปละไปไปที่ไหนรู้หมดมีหูทิพย์มันรู้เรื่องเหมือนภาษามีก็เหล่านัะ แต่วันมันอย่างต้วันนี่มันลำบากการที่ยวตามไปหลกสบายมันมีเกือบโผีเต็มบ้านเต็มตรงเต็มป่าอย่าี้ยักษ์ผีมีเต็มตรงเต็มป่าแล้วกวนโอ้ยสบายไปที่ไหนไปได้มังมาอยู่ทำคนป่าคนเขาภาวนาที่ไหนก็ไม่ีอะไรสงบแค่เพียงซีดเฉียงเกลี่นองเกลี่ยก้าเกลก้า ก็ได้คือ ค, อคมเพียงสัตว์ป่าก็ไม่เห็นมีอะไรนั่นเป็นไม่ได้เรื่องรบ ก, กวนคเคลื่อนเราเขาโดยซ้ำไปเสือับถ้าตรงไห น, นมีเนื้อเสือก็มีนะเสือมีแล้วพระมนาสายกินเนื้อนี่สมัยพวกนั้นโอ้ยอาจารย์พี่อยู่กับสมัยทุกวันโหเป็นคนละโลกนะ มันตั้งหกเจ็ดสิบปีมาแล้วดูสิคนมีที่ไหนไปั้งวันก็ไม่เคยเจอบ้านคนเจอบ้านก็ไม่สี่หลังใครเลยแต่นี่มันคนมาจากที่ต่างๆขมากเหลือมากห า, าทำไร่ทำนาทำาั้วทำสวนญาตบ้านญาตเรือนมาเต็มไปหมดเช่นอย่างไปจังหวัดเลยมีโดงที่ไหนดูสิผมเป็นตะซาก ด, ดงต้นไม้อยู่ตาม ลุกนาเขามีดูเอาซากดงซากดงซากป่าเชนอย่างป่าคาดเข้าไปว่าท่านุูยเหมือนกันมันเตียนโล่งหมดแต่มันก็มีหัวตอให้เราเห็นแล้วมีต้นยางต้นอะไรต้นกระบากที่ยังเหลืออยู่เป็นต้นของต้นให้เรารู้วอาเป็นซากของดงแล้วตามข้างท า, างก็เห็นตอ่อหัวตออยู่อยูยน่นี่คดูดี เขาทำเมื่อตอนก่อนหมดแล้วเนี่ยดงก็แท้ละเนี่ยดูแล้วนี่ทราบมันยมีเพเราเคยอยู่ในดงมาแล้วมันรู้ทราบดงยังมีเช่นอย่างหมู่บ้านนี้มานี่ก็ต้นไม้ยางก็เห็นเนี่นั่นแหละทราบดงแต่ก่อนเป็นโดงหมดที่เขาเอาลงอย่างเหลืออยู่ต้นยางกี่ต้นก็คือทราบดงที่ได้าเขามาปลูกงูนี่ที่โมกไอ้โมกไอ้เนี้ยมันปลูกนี่มีแต่โดงนั่นน่นต้นยางก็คุ้มหมดไปนี โดมันจองตัองถึงหมู่บ้านเป็ดกับบ้านเลยจนะดงเระก่อนผมผมบวชนี้บ้านเดือนสุดท้ายมันก็อยู่บ้านแม่เราสงรามันแนละ้วนั่นแหละสุดนั่นแนะแถวนี้มันไม่มีบ้านนะเขย า, าย้ายใหม่ตอนหลังคมบวชนั้นเป็นดงทั้งหมดไม่ยางนี้โว้ย เมื่อแปดทุแกแปดด่างดมนันไม่หยางมาที่แราเรายังมีผนยางผนในแถวคนถมพบเผาไปหมดไปข้างทางทางนี้มีหมู่บ้านทีน่ไหนหน้าโรงเรียนขึ้นโรงเรียนนั้นหมดบ้านคนดูขึ้นโรงเรีย น, นตรงโรงเรียนหลัง น, งนึ่งหลั้าหนึงถูกบ้านเลย อาดภาพนั้นไปคี่ันคลงด้านหลังเดี๋ยวนี้เดแล้วก็บวมาแล้วเป็นโดงเป็นต่างหมดไม่มีเหลือจนกระท่สมัยว่าแม่กาญแจดูเราพี่ยันมาวาดภาพอะไรย่างทุกวนันโอ้หมู่บ้านนี่ก็มีแต่ผมยังไม่บวมก็มีบ้านตามนี่บ้านกำคลึ้งนั้นบ้านวนทันพนั่นน่ะนะบ้าน เรียบบ้านเริมอะไรนี่บ้านกันมันไม่มีมีพคุม้มว่ามีที่หลังท่า น, นี้มีโ ก, กระพรตอนนั้นอนนั้นไม่มีกับข้ า, างในต้องวังนาผาไม่มีเป็นดงทั้งหมดดงช้างดงเสือสัดทุงมมากสต่โนเราไม่น้ว่ามันจะหมดดูที่มันอยอล้วม งานช่างวัดที่แรกนี่ก็เสือโครออกมาอยู่นั่นส่วนเสือดาวมันมีเยอะค่อยหมดไปหมดไปเลยไม่เีลือสักตัวเดียวเสือโครงก็หมดไม่มีมาที่แรกยังีเนี่ย ม, มนุษย์มันขนาดนั้นดืนข้างบางชนีอวดด่างออกมาข้างวัดเีือ น, นเมันเต็นยังนีมันร้อมอยู่ตรงข้างๆนี ปอปอปอปอดปอปทันางนะเตี้มลิงเจียงอะไรเจียงมั้ตามกันเลี่ยนใจมั้นจะหาที่เที่ที่ไหนตุวันหายากเลยพอการเข้าไปไหนก็มีแต่ที่สะดวกสบายอย่างนี้เพียงแต่สมัยผมปฏิบัติดีนั่นมันก็สะดวกสบาย การค้าการขายก็ไม่ค่มีเหมือนกันคนก็อยู่สบายไม่ได้หมุนติ้วเี่เป็นคงจักเหมือนเดิมทุวนนี้นะแล้วข่าวจะเลยโรคกะบาดมาถามว่าสามารถแต่เลยไม่ขายคงจักไม่เห็เท่าที่ที่นั่นไม่เปลี่ยนโรคก็ไปมั่งภาวนาสิ่กคิดแต่ว่าเราแบบอามนาที่ไหนยู่นเท่านั้นเองแล้วสิ่งตกทุนทั้งหมดจบแล้วสถานที่นั้นก็เปลี่ยนโรก มีจิตใจที่รบภูมิพลังไปด้วยคือเขาก็ปกปนองมาัเงียบซะจนยาตั้งข้าราต้นบอกไม่ถูกว่างั้นนะคไม่มองของคำเขาดูกระหัตรงหมู่บ้านทั้งการแห่งก็สามสี่สิบสามสี่กิโลบางแห่ห้าหกกิโลคนเข้าไปในเขาต้องเป็นงนั้นเพราะเปิดอันนี้านแห่งก็สองสองกิโลกว่ากว่นี้ทาตนมันทำางดันเลยน้ามันนะที่ แต่หาที right? ่ใกล้บังใกล้บัง well, น no. ั่งคันที่น้ำนะก็มาถานว่างอยู่ตลอดพานาที่ไหนว่าเป็นสำคัญก็มีง้นไม่มีที่จะดีเท่าไรมันก็อยู่ไม่ได้เนี่ยหมดก็ต้องเอาน้าเป็นกฎเกณฑนเป็นหลักเป็นเกณฑ์ความหมายนั้นหมอยถึงพานาทั้งหมดหมดพานาผ่านขีดเลี้ยวหนึ่งเราน่ะงานได้สัมจัสตัวเองผมเป็นคนขี้ขลาด นะตามวาสุนวะไม่มีใครที่ขาดที่ของผมแค่ที่กลัวแต่คนในบ้านนั้นยิ้งสุผมเป็นที่หนึ่งธรรมะคํามหวนของพระพุทธเจ้ามีวหนี่ก็ไม่กี่ขาดเหมกันแต่ออกเวลาออกกาถามวาไีความที่ราดถูกปราบปราบด้วยความเพียรกราบด้วยธรรมเพียที่นหดกลัวยิ่งเข้าเนี่ยเร็นยันไงล่ะต้องกลับกรงข้างที่นัดกตัวยิ่งเข้า นี่สาลันชอบแบบน้ำดานอาทตย์นี่ก็กลัวโรจิาไม่ไม่ห่างจากตัวนี่มันดุของมันดูกับตัวนี่ราธรมน้ำก็ได้ทันอกทันใจเอาเหมือนนังสัตว์ที่เราปล่อยปล่อยไปกินความกินแล้วอยู่บนเรือนนี่หมาะบางเรือนบ้างนะจะจมไปใช้านชุเมืองจะนี้จิตใจเราไปอยู่สถานที่เี่นั้นถึงนี่แล้วมันหมาะก็นำนิสัยผมความคุ้นจ้า ดับเจ้ของโดยวิธีนั้นแล้วเรื่องเกี่ยวกัสัยเ้าของมันมันถูกดับถ้าทไม่ได้ผลดีในาิพพานไปล่มจมที่บางครั้งฉันก็ถามว่าทำไกลัวหรือวิ่พาทางมันอยู่ในนดถึงมันเป็นมันนี่นมคือไอ้ถ้ามันก็มีมาตั้ง่ไหนจะลายมา่แล้วไอ้เสือมันขึ้นมาเนี่ยมันก็ขึ้นมาตรงไหนอนานแต่นานแต่นานมันก็เป็นลอยที่เป็นลอยคือมันเป็นอย่างนี่าน้ดี มันดีมันขึ้นมาความรู้ของท่านเต็มเพราะจะมันขึ้นคราวนั้นคราวนี้หลายครั้งแล้วเหนหลายปีหลายเดือนเข้าไปมันก็เลยเป็นล่องเหมือนกับล่องอุนเป็นล่องอกเสือออกมาคือนั่นนั่นดีความจิงมันขึ้นไปี็นหินแต่ขึ้นนู่นขึ้นไปล้างเขาน่้วยมันจะไปหากินทางทางบ้านเขามันต้องขึ้นแบบนี้ครั้งที่ไม่งั้นมันเป็นหน้าหาตัดตูนใกล้หัวไหล่กายมันมันจะขึ้นช่องไหนมันจะขึ้นเข้าใจหมดแหละ ยาเห็นเปล่าเขาไปส่งเราทําเขางะจนเกินหนักกว่าท่านนะคูกหัวท่านนะในรม่ปากนี่รอดไม่ได้ทำเราขึ้นเราไปดีหนูนล้วก็ไปดีความไม่เห็นเปล่มีถึงสองก้อนก็เอาทำด้วยทาร้านมีความขึ้นรานนีสูงขนาดเลยเม็ดมากที่สุดไม่ต้องการคนมันจะมาหลอดมันก็ตด้แต่ก่อนถ้ามีร้านนี้นะ <Rig> มันมานี่มันขึ้นอันนี้ก็ได้มันขึ้นอย่างนั้นเลยแต่ไมนก็มาผ่านตายท้าเราครับนัรู้จก็ไม่ต้องการแล้วก็มีสาบกันคนเทวดาหน้าเนี่ยที่สาบนันนะนี่ยมันก็ไม่ไม่กันเพราะทางนี้ลงมาทุกขนาที่แสดงอยู่นอนนี่มันจะตื่นดีแ่ไม่ให้นอนนี่คือหลักวัตกถาเพื่อนึงเพื่อความมีใครเลยไม่พบเลยกับผู้คนนี่ ถ้าไปสมาีิวันก็ไม่ได้เจอไขวที่ใดจมาตั้งอันนี้มันตราก็หกกิโลถึงบ้านเขาให้ผู้ปฏิบัติไปน่สว่างประมาณกองก็อยากถึงเมืองจังบันลุกไม่ไม่มาปฏิปทาเป็นธรรมเครื่องดูไปดูมันนี่ดูแล้วติจใจมันติดเต็มหัวใจ ทำไมจะมันจะเป็นเบิด์พระรหัสน้อยๆองค์นี้งไถึงมรรคผลนี้าเวลามันมาแล้วมันทองตัวแล้วออกมาเศร้าขาวหมุตัวาัหลายท่านนี่ับก็ดือมันทองตัวขึ้นมาเหือว่ามงินอะไรเยอะหรอหน้ากรรมเอางบุบายอย่างสมาทำนายการขามันเยอะไผ่ละไผมาไว่ละไม่เรานำทำเหล่านี้ซึ่งเคยได้ผงมาแล้วเป็นที่พอใจมจางแล้วพอใจถึสายลมอาทิพยปัตยานา ตอบที่มันยากจริงๆทาไมจะเป็นโมฆะแบบนันจะไม่ได้เกิดประลาดเาจำไว้น่อี้เป็นเรื่องในดัสนานานทั้งมันนะดูดูไม่ได้อะไรมัดดะสกันขึ้นมาเนาะไม่ค่อยมีในขั้นระดมหนักถึงขั้นกลางสมัยนี้ก็มาการปฏิบัติมันก็มอันนี้อยู่ไหนมันก็เป็นอะไรี้องเป็นปัญญาเปตนิมรสติปัญญาทางมารนันอยู่ไหนเหมือนขึ้นคาว่ากล้าหรือกลัวแล้วมั้ง ไม่ออกเหนือจากฐานไม่สนใจเลยอะไม่สนใจกลัวอะไรคอะเพราะมันทันทั้งฐานนะทั้งฐานว่าทังว่าเสือมันรู้คนนี้นะมันผ่ามันปุงยับว่าเสือมันเป็นผ่าคนนี้เราก็รู้ทันมันดับลุกไปแล้วเมื่อนี่ดับแล้วมันมีอะไรสำคัญมันกลัวอะไรเนี่ยเป็นใครประจักษ์นั้นที่ไปยพูดให้ท่าธรรมะมุขควานฟังมีวิทยาการ ทุกข์ทรมาณการแก้จิตใจมันมีหลายขั้นจนทงหมดแก้ความกลัวนี่นะแล้วหมดขั้นแรกภาวนาอยู่กับพุทโธเดียวเลยผมไม่ให้มันออกไปที่นั้นีกเมื่อมันได้พอตัวแล้วมันรวมสงบแน่นปังเลยทีนั่นแะคิดออกไปที่เรื่องเสือมันก็ไม่กลัวพอเรามันคับที่แบบไหนคิดถึงเรื่องอะไรทั้งหมดมันจะกลัวขนาดไหนไม่ไปคิดถึงเรื่องสิ่งที่มัน ถ้ามันสิ่ที่จะให้ผิดกลัวเอาาแต่คิดแต่พูดโท่พูดโท่มันรวมสงบได้หายกลัวเพราะคำวยตับนี่ในขั้นหนึ่งไปอย่างนี้ขอขั้นน่ปัสนาแยกขาดเสืออย่างว่าอย่างเขียนในหนังสือเนี่ยมันเป็นมันเองนะ เสืออะไรเป็นเสือแยกธาตเหมือนกับแ ย, ยกธานเราเนี่ยฟาดมันก็จนแหลกกระจายไม่เห็นมีอะไรไป็นเสือกลัวอะไรดับคันควก็ไม่มีมันแก้กันได้ดยที่มีอะไรมีข้อเที่ยวมันปั๊บปัือกลัวเสือกลัวอะไรมันเสือกลัวตาตาเรามีมีกลัวเนี่ยพอเที่ยวมีเที่ยวเรามีมีกลัวอันนี้เป็นต้นนะ ถ้าจะบอกมันมันเตือนกรอบก็เตือนกรอบแล้วหน่ะเตือนกรอบนกลัวหางมันเลยเรามีหางอยู่ตรงนี้มันเอาจนได้นะมันแค่จนได้นะมันกลัวหางมันเลยคือไล่ไปหมดบ่แเลบกลัวเกี่ยวกลัวขนกลัวอะไรมขนเราขมีอะไรเราก็มีของเขาอยงของเรามีมีกลัวอะไรของเราจะเห็นกลัวเนี่ยกลัวมันมันดีนอกหมไล่กันไปเราไปจนทางถึงหางเสือกลัวหางมันเลย ที่นี่เรามีหาอยู่เทียบด้ยตอนนี้เราจบแล้ตั ว, ตวมันเองไม่เห็นกลัวนี่ว่าเรากลั ว, วมันทำใหม่แน่แมันแก้ไม่ได้นละ้วตั้งแต่ตั ว, ตวมันเองอยู่กับมันมันไม่เห็นกลัวเรายิ่งอยู่นี่มันกลัวมันทำใหม่นานมันอุบายอยู่นะแก้กันได้มันเป็นปัญญาขั้นขันนี้เรื่องความกลัวก็ดับดับระงรับกลับลงไปไม่กลัวเพราะการดิจิไงอย่างนี้แล้วผมเองมันเป็นขั้นขั้นนะถ้าขั้นมือต้นก่อนแล้ลงับ ความกลัวด้วยทำมวยกรรมจิไม่ยอมให้จิตออกแบบนี้แล้วมันก็หายกลัวนี่พอมันสงบตัวได้ที่แล้วคุณหยุดคิดเ อ, อกไว้เรื่องเสือมันก็ไม่กลัวพอขั้นี่ปัตน้ำก็แยกธาตุเสือมันก็แยก่านเรามันมีเสืออยู่ที่ไหนมีสิ่งที่น่ากลัวที่ไหนอะไรก็มีมุมตัท่านนั้นทาง น, นั้นแยกไปหมด น, นี่ขั้ น, นอนี้พอพอขั้นสติปัญญาตาัวนุมัติจริงๆเนาะ พอปุงเรื่องเสือภาพดับพกดับพกเลยนะปรุงเรื่องอะไรก็ตามมันดับพร้อมดับพร้อมท่นรู้คุณท่านจีปุงพอปุงบ้างพักไปมานี้มันเท่ากับปลูกสติปัญญาพร้อมเพราะมันสติปัญญามันก็อยู่กับหน้าอยู่แล้วไม่เคยเถือที่ไหนไม่งั้นจะได้ว่าสติปัญญาจะนมาได้ยังไงมันเป็นทั้งมันเองเมื่อพอตัวแล้วมันหมุนมันอยู่พอปุงภาพมันก็ทันเลยทันเลยพอปุงว่าเสื่ออะไัน เป็นภาพพบมาที่ดับพองเลย่าอือตรงนี้เสืออยู่ตรงนี้มันหลอกเราตรงนี้เองตรงธนาขารนี่เป็นเสืออันนั้นนั่นเสือมอยู่ที่ไหนวะเนี่ยสมมติว่าเสือมาจริงจริงมันก็ไม่เห็นตัวเสือมันก็เป็นท่าตัวนี้หนึ่งเหมือนดกท่านหนอนมันแยกพกพกมันเวลามันเร็วมันเดินฟังดูงไงแม่ั้นไม่ทันนะถ้าหยุดยาไม่ทันอ คนมายัางพิเดลแล้วลอกจ้าของจนได้ไปอยู่สานที่กลัวเพื่อจะดับเจ้ของแทนที่จะดับเจ้ของถูกที่เหลืองดัด อ, อยู่ไม่น่าพอถึงขั้นสังขารเป็นเสือไม่ใช่เสือเป็นเสือแท้มันสังขารเป็นเสือสังขารหลอกตัวเองรู้ทันรู้ทันเสียงทำไม้เออเจ้าตัวนี้เป็นตัวหลอกตัวของอ สังขานตัวนี้มันหลอกอย่างนั้นมันหลอกวางนี้กูกูรู้มันได้เป็นหี้ี้ตัวมันหลอกมันรู้อก็จักจ ก, จ ก, จ ก, จก็จับก็จับตุ้งเรื่องอะไรมาผมก็รู้ภาพดับพร้อมดับพร้อมดับพร้อมดับพรอ้รอมแต่มันมันกนยังไม่แล้วทำเป็นกลับไปวิชาทึ้งหมดเลยเอาวิชาแล้วนี่มันถาบว่าเขาเป็นไงเราไป็นยังไง หมดคำว่าเขาว่าเราหมดคำว่าสัตว์ระเสือไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีแต่สัตเทราว่าปรากฏเป็นความจริงของแต่ละอย่างในความกลัวก็มีมีใความกล้าปรากฏเยอะเลยทั้งกล้าทั้งในกลัวหรือเฉยก็เฉยเฉยธรรมาของเราเนไม่ชัดดีละพูดไม่ถูกนี่นะจิตมันเปลี่ยนสภาพมันไต่เงี้ยเปลี่ยนไปเรื่อยเรืยเพราะอาการที่ อาการแห่งความเจริญความเสื่อมนั่นมันเป็นอาการเป็นสิ่งที่ระงับตัดไปโดยลำดบเปลี่ยนตัวไปโดยลำดับรวนแรงกืออาการนั่นเปลี่ยนต่างอย่าไปสืบละเอียดละเอียดเข้าไปเปี่ยนเข้าไปเรื่อยเปี่ยนเข้าไปเรืยจนกทั่งหมดสมมุติที่จะต้องเปลี่ยนเพราะความเปลี่ยนอันนี้เป็นเรการถลักัทธิเป็นเรื่สมมติทั้งหมดใช่ไหมเรื่ความรุนแรงเปลี่ยนอะไรชิ้นน้อที่เขาเห็นภายในความรู้แท้ไม่เปลี่ยน Path, day, ม pues ันมีการมันจะผ่านที่ร่ำเวลาแล้วครับไปเกี <ș> ่วข้องเลยก็อะไรมาเปลี่ยนหมดสมมุติแล้วมันไม่มันก็หมดความเปลี่ยนแปลงนี่วารสุดท้ายแผ่นดนฝันด้นสเปรธมานลังอันอินิเศายากทำทั้งทั้ควรถือมั่นก็ไม้ถึงตรงติดนี้หนึ่งาสุดท้ายตอยแล้วสมมุติถึนนั้นด้วย มันพอดีคนเสียงมันก็เกิคลายนะมันประจุมขันเชื่อเอาจริงเอาจังนะใช้พอดียาอ่อนแอพ้อถอนไม่ดีไม่ถูกไมไ่ประโยชน์เห็นกิเลสเป็นภัยภัยกิจใจอยู่เสมออย่าลืมตัวทาลืมตัวแนละ้วดูกิเลสเดือดยั่ง ถ้าตัดกันจะว่าความมุญลนะืมตัดวงจัวตัดกันจะรอดได้หมดหลือผ้าพอไหมล่ะผมได้มาใหม่ยี่ก็มีผ้าแล้วบางนรู้ผมไม่ได น, ะ น, นหลอกคุงก็มน า, า, ถานถอยมาดูคนเก็บข้ามาดูคนก่นแล้วไปเลยไม่สนใจภาผ้าผ้าเป็นเมื่ อ, อยังไงไงควจตัดยังไงถ้าตัดที่